อยู่ที่นี่ตอนเช้าอชอบบรรยากาศแบบไม่ต้องผมแต่งมากก็เลยก็เลยปิดไฟนะตอนทําวัดเสร็จ อ, อยู่กับความสว่างของดวงดาวของดวงจันทร์ของแสงทียันบ้าง นะ้ำสายตาเราก็จะได้พักบางทีเราก็ใช้ตาเนอะทั้งวันนตะั้งแต่ตื่นจนทั้งถึงระับนอนเนอะตอนเนี้ยเราใช้ตาให้น้อยลงแต่เราก็ใช้หูแทนเนะใช้หูในการรับฟังมีสติรู้ตัวในการฟัง mm hmm. รู้ด้วยความสมมุติบัญญัติ mm hmm. ในภาษา รู้นะโดยความที่มันเป็นสภาวะธรรมนะที่มันเกิดขึ้นนะในตัวเราบ้างนะเมื่อได้ฟังแล้วนะจิตใจรู้สึกอย่างไรนะจิตใจ <c oughs> มีความคิดอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ฟังเราก็คอยตามรู้ไปด้วยนี่คือถ้าเราฟังแบบนี้เรียกว่าฟังอย่างมีสตินะ เราไม่ได้ฟังเพียงแค่การเก็บข้อความนะฟังให้เข้าใจด้วยการจำได้หรือการคิดเท่านั้นนะฟังแบบนั้นนะ่ะฟังเท่าไหร่นะก็ไม่เข้าใจธรรมะนะเหมือนคนเรียนหนังสือตำรับตำร า, าฟังครูบาอาจารย์มามากจำในสิ่งที่ที่ท่านพูดท่านสอนนะ จำได้พอจะเข้าใจแต่พอเวลามันเจอเหตุการณ์เจอกับปัญหาก็ mm. าเจอจับความทุกข์เนี่ยแต่ว่ายังไม่เข้าถึงใจจริงๆนะมันถึงแค่ระดับสมองนะระดับสติปัญญาทางโลกนะรู้นะรู้ว่าอันนี้คืออะไรรู้ว่าต้องทำแบบไหนแต่ประเด็นคือมันทาไม่ได้ทำไมทำไม่ได้นะ เข้าใจหมดเลยนะแต่มันยังทุกอยู่เนี่ยอันนี้แสดงว่ายังไม่ใช่อันนี้แสดงว่ามันจงเป็นเพียงแค่รู้ทฤษฎีนะคือรู้ปริยัตินะแต่สิ่งสำคัญจริงๆเราจะเอาปริยัติเอาทฤษฎีนั้นมาปฏิบัติได้ยังไงเนะี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่านะคือภาคของการปฏิบัตินะที่จริงมันก็ปฏิบัติตั้งแต่ตอนฟังเนี่แหละนะ นะฟังไม่ใช่ฟังเพื่อเคริรมหรือฟังเพื่อคิดนะนะฟังเพื่อเคริรมก็คือเคิมไปกับคาพูดกับความหมายหรือฟังเพื่อคิดนะก็คือฟังแล้วก็ตีความนะทีความว่าเออมันอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือว่าฟังแล้วก็วิภากวิจาร์นะ อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรนะนะอเราอย่าไปหลงนะนะแต่ถ้ามันเพิ่มไปนะให้เรารู้ทันหรือมันมันฝักใส่มันไม่ค่อยรับก็ให้เรารู้ทันนะหรือถ้ามันคิดของมันเองนะวิพากษ์วิจารณนะ์เอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดนะก็ให้เรารู้ตัวนะอย่าไป เดียกว่าอย่ไปจมไปกับมันเนาะคือมันเกิดของมันเองเนี่ยเราไม่ต้องไปห้ามมันนะแต่เกิดแล้วให้เรารู้ทันนะให้เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันนะมันจะมันจะไม่ไหลไปกับอาการพวกนั้นนี่ยนะไม่ไหลเป็นนานนะมันจะมันจะหยุดมันจะกลับมาได้อันนี้คือเรียกว่าเป็นการฟังอย่างมีสตินะคนส่วนใหญ่นะฟังกัน ขาดสตินะไม่ใช่แต่การฟังธรรมนะที่จริงถ้าเราฟังเป็นนะหนูพ่อเนะี่ยเคยพูดนะฟังเสียงทุกเสียงนะเป็นเสียงสวดมนตนะ์มองคนทุกคนนะเป็นพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็มีนิพพานอยู่ที่นั่น <c oughs> ถ้าเราฟังเป็นจริงนะเสียงทุกเสียงเนี่ย คือเสียงสวดมนต์นะสวดมนต์อาจจะไม่ใช่อรหังสัมมานโมตัสสะอะไรแบบนี้นะเสียงสวดมนต์ก็คือเสียงพระธรรมนะเสียงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเสียงที่แสดงความจริงนั่นแหละนะคือเสียงสวดมนต์นะ่ะฟังคําสรรเสริญนะก็ไม่ฟูนะฟังคำนินทาด่าว่าก็ไม่แฝกนะ นี่คือถ้าเราฟังเป็นนะใจจะไม่ไหลใจจะไม่ฟูใจจะไม่แฝบไปตามสิ่งที่มากระทบนะแต่ถ้ามันเป็นของมันเราเห็นเห็นปุ๊บอ่ามันฟูแล้วอ่ารู้ทันนะมันจะเลิกฟูนะพอมันแฝบเข้ามานะเรารู้ทันมันก็จะเลิกแฝบนะมันก็จะกลับมาหาความเป็นปกตินี่แหละ ับมาหาความเป็นปกติเราจะเห็นความเป็นปกติคืออะไรนะจิตนะมันไม่เที่ยงนะมันไปของมันเองนะแต่พอเรารู้ทันมันก็กลับมาของมันได้นี่เราก็จะเห็นมันอ๋อใจมันไม่ได้อยู่นิ่งนะไม่เที่ยงคือมันไม่นิ่งมันเราไม่ได้ฝึกให้มันนิ่งเลยครับแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นมันไม่เที่ยงนะมันต่างกันนะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตมันนิ่ง แต่ฝึกเพื่อให้เห็นจิตมันไม่เที่ยงฝึกเพื่อให้รู้ว่าจิตมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับจิตนะปฏิบัติธรรมไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับจิตนไม่ใช่บังคับจิตให้สงบบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้มีแต่ความสุขบังคับจิตให้คิดแต่ดีๆอันนั้นไม่ใช่นะออแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่า จิตเดี๋ยวบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีจิตบางทีก็สงบบางทีก็ฟุ้งซ่านจิตบางทีมันก็นะมันก็ไหลบางทีมันก็ไม่ไหลนะเราเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนนะนะเราก็ถ้าเราทําอย่างนี้โอ้มันก็มันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเรานะ อืทางกายก็เหมือนกันนะเราฝึกเรารู้ทันมีสติรู้ทันกายก็ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้กายมันมันไม่ทุกนะฝึกเพื่อให้กายมันสบายก็ไม่ใช่นะแต่เพียงแต่ว่าเราเไม่ไปซ้ํำเติมกายให้มันทุกเน่ยมากขึ้นนแต่เราเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายนะหายใจเข้า ก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์กระพริบตาก็เพื่อแก้ทุกข์นะขยับขยื่อนเล็กๆน้นอยๆก็คือเพื่อแก้ทุกข์ทุกนะที่มันเกิดขึ้นกับกายนี่มันแสดงค่อนข้างชัดเพราะว่าอะไรคือมันทนหน่วยในอาการเดิมไม่ได้เนาะในสภาวะต่างๆอ่ะมันทนไม่ได้อีริบทใหญ่ๆนะ มันก็อาจจะทนได้บ้างนะในหลายชั่วโมงนะบางยุบอก็อาจจะไม่เสมอกันเช่นนอนเนี่ยอาจจะทนนอนได้แต่คงไม่เกินสิบชั่วโมงมจะเริ่มคิดเริ่มเหนื่อยมากแล้วนะบาทีหกเจ็ดชั่วโมงนี่ก็พอละแต่ถ้าเกินสิบชั่วโมงเนี่ ย, ม, ยมันก็จะไม่ทนไม่ค่อยได้ละนะมันจะรู้สึกปวดเมื่อยล้าเดินนะกา จ, จะได้สักสองชั่วโมงนะ ก็จะเริ่มปวดเมื่อยแล้วต้องพักนะขอนั่งบ้างขอยืนบ้างยืนนะก็ จ, จะได้สักเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะสมมตินะน ะ, นะมันก็ปวดเมื่อยมันอยากจะเดินบ้างมันอยากจะนั่งบ้างนั่งเองก็เหมือนกันนะสักชั่วโมงนึง่งนะก็เต็มทีและนะ้ว่ะแล้วแต่บางครั้งนะคือมันแสดงความทุกข์ให้เห็นแต่บางอย่างมันยิ่งสั้นกว่านั้น กระพริบตาเนี่ยนาทีหนึ่งบาทีก็กระพริบตาหลายครั้งหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกนะหลายสิบครั้งต่อ น, นาทีร่างกายก็ขยับขยื่นเล็กเล็กน้อยน้อยนคือมาแสดงความทุกข์ของสังขารมันน่ยสังขารมาแสดงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เนี่ยมันชัดเจนนะ ที่จริงจิตใ จ, จมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะมันบีบคั้นมันเจออารมณ์บีบคั้นนยะก็เลยเกิดเกิดการไหลไปนะเกิดการต่อต้านหรือเกิดการอยากจะเอาไว้นะมันถูกกระทบแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ใค่ได้นะมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงความหวั่นไหวไปคือนะเราไม่ต้องห้ามมันนะแต่เราแค่รู้ทันมันในะการมีสตินะ นอกจากการที่เรารู้นะรู้เมื่อผัดสะมันกระทบที่จริงการเคลื่อนไหวนะก็คือรู้ผัดสะนั่นแหละนะ่พลิกมือเนะี่ยคือผัดสะนะพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวลมกระทบคือรู้สึกตัวหายใจเข้าคือรู้สึกตัวหายใจออกคือรู้สึกตัว คือเมื่อเกิดผัสสะมันกระทบเนอะทาอะไรก็แล้วแต่นะคือมันทําให้เรามีสติรู้ตัวนะรู้สึกตัวแล้วคือทํำนะนะั้อมันจะเป็นภัสสะที่กระทบเองโดยธรรมชาติก็ดีหรือที่เราสร้างขึ้นมาก็ดีเนะี่ยเพื่อปลุกนะปลุกจิตให้มันรู้สึกตัวเนอะนี่คือการรู้กายเราก็รู้กายเนะี่ยเป็นพื้นฐานไป แต่ตัวสำคัญจริงๆคือตัวรู้จิตรู้ใจเพราะกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจก่อนแล้วมันค่อยยั่วยวนนะยั่วยวนนี่ก็หลายอย่างนะแล้วแต่คนนะคนชอบใช้ความคิดนะอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลไปหมดลยนะ <c oughs> แต่มันเป็นเหตุผลของอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยทันเวลาอยากเนี่ยโอ้ ก็จะมีเหตุผลมารองรับความอยากก็ <c oughs> พูดง่ายๆก็คือเหตุผลของกิเลสใช่ไหม <c oughs> เวลาโกรธนะ <c oughs> ก็จะมีเหตุผลมารองรับความโกรธว่ามันสมควรต้องวา่าต้องด่าต้องว่าต้องนะอะไรเขาเนะี่ยมันก็จะมีเหตุผลมารองรับนะยิ่งคิดเก่งเท่าไหร่เรียนสูงมากเท่าไหร่นะ เหตุผลมายิงซับซ้อนอว่าสมควรต้องอย่างนี้เป็นเป็นดูเป็นเหตุเป็นผลแล้วคนทางโลกนะก็ยอมรับกันมากว่ามนุษย์เราควรจะใช้เหตุผลแต่จริงปัญหาของคนใหญ่ก็เพราะเหตุผลนี่แหละมันไม่ลงรอยกันนะทะเลาะเบาแวงกันก็ด้วยเหตุผลคิดว่าตัวเองเหตุผลดีกว่า อีกคนหนึ่งคิดว่าตัวเองถูกเพราะว่าเหตุผลของตัวเองถูกเหตุผลของคนอื่นผิดนะที่จริงเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ถูกผิดนะเหตุผลมันคือเหมือนคล้ายๆเหมือนมีดมันอยู่ที่ว่าเบื้องหลังของเหตุผลน่ะมันคืออะไรมากกว่า ม, มันเหมือนมีดใช่ไหมมันเหมือนคนเอามีดไปใช้อย่างไร มากกว่าคนเอามีดไปใช้หั่นผักนะหั่นเนื้อทำกับข้าวนะก็เกิดประโยชน์เกิดคุณเกิดเป็นประโยชน์เกิดเป็นความสุขขึ้นคนเอามีดนะไปแทงตัวเองไปฟันคนอื่นนะก็เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นนะนั้นเหตุผลนะมันคือ เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่รับใช้จะรับใช้อะไรล่ะถ้าเราไม่มีสตินะก็คือรับใช้กิเลส <c oughs> ถ้าเรามีสติก็รับใช้กุศลนะเอาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่คืออย่าไปเชื่อมันมากนะไอ้เหตุผลนะมันคือความคิดนั่นแหละนะ คือความคิดถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะปรุงแต่งไปตามตามความตามเบื้องหลังของมันนั่นแหละนะอืมแต่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามใช้เหตุผลให้น้อยที่สุดนะเหตุผลเอาไปใช้ในการทํางานนะในเชิงในเชิงทฤษฎีในเชิงหลักการเอาไปใช้แบบนั้นนะแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อจะบอกชัดเจนนะอย่าเอาเหตุเอาผลนะคือไม่ต้องเอาเหตุเอาผลว่าเอ้ยทำไมมันถึงคิด ดีทำไมมาถึงคิดไม่ดีนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะวางเลยนะเพราะถ้าเรายิ่งติดเรื่องเหตุเรื่องผลมากเนี่ยมันไม่จบเห็นคนนั้นทําแล้วมันไม่ดีนะเราก็จะโอ้เดินจงกรมบงทีก็คิด ม, มันไม่ดีมันไม่ถูกมันไม่ใช่นะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะฟังคนอื่นพูดก็เหมือนกันนะคนนั้นพูดดีคนนี้พูดไม่ดีอ่ะ ไปตีความไปให้ค่าอีกเยอะแยะมากมายแต่จริงเราก็รู้อะไรถูกอะไรผิดนะแต่ผิดเนี่ยว่าเราไม่ต้องไปเอาเหตุผลอะไรกับคนอื่นหรอกนะก็เรื่องของเขาเข้าใจนะเข้าใจแต่ไม่เอาไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาความนะนี่ไม่ใช่ว่าฟังแบบผันผ่านนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะสบายกว่าก็ไม่ใช่น ะ, นะถ้าอย่างนั้นนะ มันก็จะเหมือนกับคนบ้าคนอื่นพูดอะไรมาจะด่ามันก็ไม่ทุกข์นะเหมือนนัหรือเราพูดกับแมวกับหมาเนาะเราจะด่ามันนะมันก็เฉยเยนะเพราะมันฟังไม่รู้เรื่องอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลภาษาอีกอย่างหนึ่งนะบางทีคนก็ทำตามอารมณ์นะทำตามความรู้สึกนะ ควรู้สึกเนี่ยมันเป็นคนนะมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เหตุผลเช่อนอารมณ์เบื่อนะอารมณ์ชอบอารมณ์ชังนะตอนนี้ตอนนี้เบื่อก็ขี้เกียจทานะตอนนี้มันขยนันนะก็ขยันทาเลยนะหลวงพ่อชาอยาพูดช้าเลยบอกว่านะ่ะเวลาปฏิบัตินะขยันก็ทา ขี้เกียจก็ทํำนะทําในที่นี้คืออะไรคือไม่ทําตามอารมณ์นะคำว่าทำนะปฏิบัติทำนะคือไม่ทําตามอารมณ์นะบางทีมันขยันได้อารมณ์ปฏิบัติก็ไม่ใช่เพลินปฏิบัติแบบไม่ดับไม่นอนไม่กินนะอันนั้นก็คือหลงไปกับอารมณ์นะหรือ ป, ปฏิบัติแล้วอารมณ์มันสุขมันสบายมันสงบมันนิ่ง ก็ไม่จมไปกับอารมณ์อันนี้คือการทำนะคือการปฏิบัติทางเส้นนี้คืออารมณ์มันมันสุขมันดีก็ไม่จมมันก็เห็นมันอารมณ์มันเบื่อนยะไม่พอใจขี้เกียจนะก็ไม่เลิกนะไม่เลิกปฏิบัติก็คือไม่เลิกดูนั่นแหละนะก็คือไม่ไปจมกับอารมณ์นั้นนั่นแหละนี่คือการทำคือเหมือนนี้นะไม่ใช่ว่าเราอาจจะต้องแบบต้องเดินต้องนั่งในรูปแบบ ตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะแต่ตื่นขึ้นมาเช่นเห็นใจไม่ขี้เกียจตื่นนะนะแต่ก็ต้องตื่นเพราะเป็นกิจที่เร า, เราต้องทำนะเนี่ยนี่คือเรียกว่าปฏิบัติทราแล้วนะนะปฏิบัติเมื่อกินข้าวไปนะขนาดหือขนาดตักอาหารเห็นเห็นความอยากอยากจะตักมา ก, มากๆอยากจะกินเยอะๆนะ เราไม่ทําตามความอยากนะมันอยากจะกินมากมันอยากจะตักมากนะตักให้มันน้อยลงนะหรือไม่ตักเลยเนะี่ยนี่คือปฏิบัติธรรมนะอันนี้มันอร่อยโนออยากจะกินไม่อยากเผื่อคนอื่นเลยนะนอะก็รู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นไม่ทําตามมันเนะี่ยคือปฏิบัติธรรมคือตรงนั้นนะตอนนี้มันคิดเกียรติอืา ม, มันไม่อยากปฏิบัตินะ แต่เราไม่ทําตามมันก็ไปเดินจงกรมนะก็ไปสร้างจังหวะอย่างนี่คือปฏิบัติธรรมคือนะั่นแหะนะคือไม่ทําตามอารมณ์นะหรืออารมณ์ที่เกิดเป็นช้าๆเช่นเวลามันเกิดอารมณ์ไม่พอใจนะก็มีสติรู้ทันไม่พูดในขณะที่ไม่พอใจนะสําคัญนะเวลาเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ต้องรีบหรอกนะแต่มันจะมีอารมณ์แล้วก็มีเหตุผลที่ มันจะมาปรุงแต่งผสมกันนะว่าอันนี้มันทําไม่ถูกต้องรีบบอกมันหรือบางทีมันอารมณ์มันก็แสดงความบีบคั้นคือความทุกข์เพราะว่าอะไรพอมันไม่พอใจพอมันโกรธเน่ะมันจะรู้สึกมันแน่นมันอึดอัดนะมันอยากจะระบายประมาณนั้นอยากจะระบายมาว่าบางทีมันก็เหมือนนะเหมือนเราปวดเยี่ยวปวดขี้นะมันอยากจะระบายนะมันจะรู้สึกแบบ มันเลยใช้เขาปลดทุกข์กันเนาะนอมันแน่นมันอึดอัดมันอยากจะระบายออกนะแต่ปวดขี้ปวดเยี่ยวนะมันต้องระบายนะเพราะมันเป็นวัตถุจริงๆนะมันแน่นจริงๆมันปวดจริงๆมันก็ต้องระบายนะแต่จริงสังเกตไหมบางทีมันก็ทนได้ระดับหนึ่งอยู่นะนะมันก็ยังทนได้นะแต่มางทีมันทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไปคิดนะ เราไปจมอยู่กับอารมณ์เช่นสังเกตไหมเวลาเราปวดเยี่ยวบางทีถ้าแบบคิดแต่ว่าเราปวดเยี่ยวต้องไปเยี่ยวให้ได้ต้องนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะทนไม่ค่อยได้นะออมันจะรู้สึกมันจะไม่ไหวแต่บางทีถ้าเราแบบไม่ค่อยสนใจมันมากนะเออมันก็อยู่ของมันได้นะออร่างกายมันก็ยังปวดโหยดแต่ใจพอเราไม่ไปแบบไปพะวงไปอะไรมากนะมันก็อยู่ได้นะ เ, ออเนี่ยร่างกายก็เป็นแบบนั้น จิตใจก็เหมือนกันนะเวลามันโกรธเวลามันอึดอัดเวลามันทุกข์อยากจะไปทําอย่างอื่นอยากจะไปด่าเขาอยากจะไปอะไรอย่างต่างนะี่ถ้าเราไม่ไปเชื่อเหตุผลไม่ไม่ไปเชื่ออารมณ์มากนะเดี๋ยวสักพักอารมณ์มันจะค่อยๆคลายนะค่อยๆเปลี่ยนนะอารมณ์มันจะแสดงความไม่เที่ยงนะนะเรากลับมาอยู่ไหนกลับมาอยู่กับงานที่เราทำํำนะ กลับมาอยู่กับร่างกายที่กำลังทำสิ่งต่างๆเนี่ยอารมณ์มันจะค่อยๆเปลี่ยนลงเปลี่ยนลงนะความโกรธจะลดลงความไม่พอใจจะลดลงนะจะทั้งบันดับไปนะไม่เสียเวลานะนะเกิดคุณค่ามากกว่านะเวลาเราสอนคนบอกคนด้วยอารมณ์ที่ปกติเขาจะรับฟังเขาจะเข้าใจ มากกว่าการสอนในขณะที่ใช้อารมณ์ใช้ความโกรธนั้นปัญหาจริงๆนะเวลาในครอบครัวเนะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันในที่ทํางานทีนะ่เกิดปัญหาการเพราะว่าอะไรเราใช้อารมณ์เป็นการแก้ปัญหาอืมเวลาไม่พอใจเวลาโกรธก็รีบบอกรีบด่ากันนะเมื่อ เราใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาในการบอกในการทำโทษกันคนที่เขารับอารมณ์ เ, เขาจะรู้ว่าเนี่ยมันมาจากอคติมาจากความไม่พอใจนะเพราะนั้นมันจะเกิดการผลักไสหรือการต่อต้านไม่อยากรับนะปฏิเสธไม่อยากฟังคลนะ้ายๆมันถูกยัดเยียดนะนะเหมือนเราอะใช่ไหม เวลามีคนมายัดเยียดอะไรที่เราไม่อยากไม่อยากได้เราก็ไม่อยากเราก็เราก็ไม่เอาอะใช่ไหมเวลาเราเห็นว่าเขามาพูดด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีนะเราก็ไม่อยากได้เหมือนกันนั่นแหละนั้นเวลาไม่พอใจเวลาโกรธอย่าพึ่งพูดอย่าพิ่งทำอะไรนะถ้าจะทำก็คือทำใจก่อนทำใจให้ปกตินะกลับมา หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเดินจมกลมพลิกมือให้รู้สึกตัวก่อนไม่ต้องรีบน่ะไม่ต้องรีบนะบนะโลกไม่ได้โลกไม่ได้ถลม่มฟ้าไม่ได้ทลายนะ่ะมันยังไม่ตายสักนะ่ะตื่อถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะไม่ทําตามอารมณ์ตอนที่มันตายก็ดีแล้วนะ่ะนแต่ถ้าทําทตามอารมณ์ตอนที่มันตายนะใช่ไหมบางคน นาดาดาดาดาเขานะหัวใจวายตายนะตามขณะที่ดานนะก็ไปนรกเลย <c oughs> นั่นคือทำตามอารมณ์นะนั้นเรื่องของอารมณ์เรื่องของเหตุผลเนี่ยจะว่าดลวมหลงก็คือเรื่องของการปรุงแต่งของจิตนั่นแหละนะอืมปรุงแต่งของจิตเป็นอารมณ์บ้างปรุงแต่งของจิตเป็นสเป็นความคิดบ้างนะ นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ทันแล้วก็รักมันเสียเนา ะ, ะจิตนที่ปรุงแต่งเน่ะเรียกว่าสังขารจิตที่เป็นนิพพานคือวิสังขารคือการไม่ปรุงแต่งการไม่ปรุงแต่งคือการเพียงแค่เรารู้เฉยๆที่หลวงพ่อเทียนพ่ออมเทียนจะพูดเสมอนะคําว่า รู้เฉยเฉรู้ซื้อซื่อน่ะน่ะคือการฟังแค่รู้ไม่ต้องไปตีความไปให้ค่าวิภากษ์วิจารณ์อะไรเนาะเนี่ยรู้กายก็ให้รู้เฉยเฉยเห็นกายนะเห็นกายไม่ต้องไปคิดว่ากายคืออะไรแจกแจงนั่นนี่อย่างไรนะก็รู้กายเฉยเฉยน่ะกายส่วนหนึ่งใจที่รู้เป็นส่วนหนึ่งดูไปนะเนี่ย ไปเรื่ยๆนะกายเขาทําใจเขารู้นะฝึกแยกเลยนะฝึกเห็นอ้อกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งนะฝึกมีสติรู้ตัวแบบเนี้ยบ่อยๆจิตใจความคิดก็เหมือนกันนะนะเราก็ฝึกรู้เหมือนกันนะมันผุดขึ้นมาก่อนนะเราจะเราไม่ต้องไปคอยมองหานะเหมือนเรานั่งอยู่บนนะ้ำไม่ต้องไปคอย ดำน้าลงไปดูปลาเราอยู่บนน้ำปลามั น, มนโผล่ขึ้นมาหายใจนะหรือมันโผล่ขึ้นมางักเหยื่อเราก็ค่อยเห็นนั่นนะนะการดูความคิดดูจิตเนะี่ยไม่ใช่ไปคอยดูนะแต่คือมันเกิดขึ้นมาแล้วค่อยดูมันค่อยค่อยเห็นมันนะถ้าไปคอยไปตามหานะไม่ใช่แล้วนะนะอย่าไปหาดูจิต ไดีไปหาดูความคิดในการตามหาค้นหานะหรือว่าเฝ้าดูนะเราดูผ่านการที่เราทำกิจต่างๆเน่ยนะอย่างมีสมาธิมีสติเนี่ยแหละนะแต่เมื่อความคิดมันโผล่ขึ้นมาอ่ะเราก็ยเห็นนะเกิดแต่ไม่ต้องไปให้ค่าว่ามันมันคิดเรื่องอะไรนะแค่รู้ว่าจิตมันคิดนะวางเลยนะ รู aroma, ้ว่าจิตมันคิดรู้ว่าจิตมันมีอารมณ์นะบางทีไม่ต้องไปแยกแยะก็ได้นะว่าอันนี้กุศลอันนี้อกุศลอันนี้คิดบวกอันนี้คิดลบนะอันนี้คิดมีเหตุผลอันนี้คิดไม่มีเหตุผลได้ซะละบางทีไม่ต้องไปแยกก็ได้นะแค่รู้ว่ามันคิดแค่รู้ว่าจิตมันไหนไปแค่รู้ว่าจิตไม่ปกติเนี่ยคือการรู้จิตนะนย ในที่นี้คือการรู้ทั้งเวทนาจิตธรรมนะผู้เจยอดนะสัวใจน ะ, นะคือมันเกิดขึ้นมาแล้วเราเห็ น, นเห็นมีสติเป็นผู้เห็นต่อไปมันจะมีปัญญาเห็นเข้าไปลึกก่นนะั้นเห็นว่าอะไรเห็นว่าความคิดหรืออารมณ์ก็ไม่ใช่จิตมันจะแยกออกมาได้ระหว่างเรื่องของจิตน ะ, นะ จิตจริงๆมันปกติจิตจริงๆมันคือไม่เป็นอะไรไอ้ความคิดเนี่ยแหละนะคือความไม่ปกติมันมันเกิดซ้อนเข้ามาอีกทีหนึ่งนะมันมาครอบงานะจะเรียกว่าครอบงาก็ได้มันแทรกเข้ามานะแต่เราจะมีเมื่อเรามีสติเห็นจิตเห็นความคิดนะมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าความคิดไม่ใช่จิตอารมณ์ไม่ใช่จิตนะ มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้ น, นแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ะังะนั้นพอเราเห็นจริงๆแล้วความคิดไม่ใช่จิตอารมณ์ไม่ใช่จิตมันก็คือไม่ใช่เราเนี่ยแหละนะเพราะที่จริงนะที่เราหลงไปทุกข์เพราะอะไรเราคิดว่าเราคิดดีเราคิดไม่ดีเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้สงบอะไรต่างๆมันมองเป็นเราไปหมดเลย แต่มองไปิงมันจะแยกนะแยกรูปแยกนามนะแยกขันห้าอ้อมันเป็นเพียงแค่ขันมันไม่มีตรงไหนบอกว่าเป็นเรานะมันเป็นเพียงแค่ขันมันแยกน่ะแยกเนี่ยคือวิปัสสนานะคือการเห็นอย่างแยกแยะแยกแยะอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเป็นเพียงแค่อาการของของรูป ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเนี่ยวิปัสสนามันคือตรงนี้นะวิปัสนาไม่ใช่เป็นนั่งนะหรือไปดูอะไรที่มันไปคิดเอานะแต่วิปัสนาคือความจริงที่มันแสดงนี่แหละแล้วเราเราเห็นมันแยกของมันนะไม่ใช่การคิดแยกแต่เห็นมันแยกนะแยกวยการที่ดูดออกมาดนะูดออกมาเป็น ผู้ดูเสือจะเรียกอย่างละดูดจากโลกสมมุติก็ได้นะเพราะว่าสมมุติก็เลยไปยึดว่าร่างกายเป็นเราจิตใจเป็นเราอารมณ์ความคิดเป็นเรานะนะั่นแหะพอเราดูดออกมาปุ๊บเนี่ยนะมันถอนออกมาเนี่ยอ๋อมันเห็นมาเป็นเพียงแค่อาการสิ่งต่างๆเหนะมือนเราสมมุติถ้าเรา ยังอยู่ในน้ำอยู่นะเราก็จะเห็นน้ำไม่ทั่วแต่พอเราขึ้นมาบนฝั่ง อ, อ้อเราก็จะเห็นละนะมันก็มีน้ำมันก็มีผักตกเชวามันก็มีปลามีเศษไม้ลอยขึ้นมาเนี่ยมันพ้นขึ้นมาเห็นนะอ๋อแต่ถ้าเราอยู่ในน้ำนะมันเห็นไม่ชัดนะมันรู้ว่ามีนะแต่มันก็ดูดออกมาไม่ได้นะี่จมน้าอยู่น ะ, นะจิตที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันจะทอนออกมานะ เราฝึกบ่อยๆนะฝึกจากการที่ค่อยๆหลุดทีละครั้งนะถ้าเราปฏิบัตินะไปเรื่อยมันก็จะเหมือนคล้ายๆฝึกแบบหลุดทีละครั้งก่อนนะพ้นทีละครั้งก่อนนะพอเราฝึกไปเรื่อยนะมันพ้นทีละครั้งพ้นทีละครั้งบ่อยๆนะมันก็หลุดออกมาได้นานขึ้นนะหรือพอถึงจุดหนึ่งมันก็พ้นนะกีเดจจับอยาก ได้ก่อนนะกิเลสกลางๆแล้วก็ทีละเอียดมันก็ยังไม่พ้นนะแต่นะกิเลสเจ็บยากคืออะไรความสงสัยนะความไม่แน่ใจนะว่าเราทำถูกทำผิดนะคำสอนพระพุทธเจ้าคำอสอนครูบาอาจารย์ถูกหรือผิดอย่างไรนะ แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยมันเกิดความเราเห็นเราเห็นนะมันแน่ใจเลยอ๋อแน่ใจอะไรแน่ใจตัวเองว่าทําถูกแน่ใจคําสอนว่าเราฟังถูกนะเข้าใจถูกแล้วนะ่ะเพราะาอะไรมันแน่ใจมันชัดเจนนะเนี่ะนี่คือกิเลสจุดยากที่มันจะดุดนะ่ะความสงสัยความลังเลความไม่แน่ใจเนะี่ยมันก็จะดุดไป ความไปหลงเชื่ออะไรที่เป็นแค่พิธีดีตองเป็นเพียงแค่สมมุตินะมันก็จะดูดไปนะมันจะเข้าใจแก่นนมันจะจับที่แก่นได้เปลือกเนะี่ยมันจะตีความได้หมดเลยนะมันจะทะลุปเปลือกนะคล้ายๆเหมือนที่จริงก็เหมือนคนมีปัญญาแบบโลกโลกนะเรามีคนซื้อของปากเรานะบางทีกล่องหรือว่าบรรจุพันธุ์ต่างๆเนะี่ย เราก็ไม่ต้องเก็บไว้หรอกเราก็แกะออกมาเอาของข้างในเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้คือก็เหมือนกันนะพิธีดีตอมนั่นนี่นะต่างๆมันก็คือเปลือกที่มันห่อหุ้มแต่จริงแก่นมันคืออะไรเนี่ยเราจะไม่หลงละไม่หลงละทำทานทำแบบไหนรักษาศีลแบบไหนรักษาวินยัยแบบไหน ทำสมาธิแบบไหนเอนะใช้ชีวิตแบบไหนอันนี้คือแก่นของชีวิตเนะี่ยมันจะไม่หลงเลยนะเรียกว่าสินพัตตาปรามาส์นะคือความยึดมั่นถือมั่นนะว่าต้องนั่นต้องนี้นะเนะี่ยมันจะหลุดไปมันจะโอ้มันจะเข้าใจแก่นจริงๆริ ม, มันจะไม่ติดในรูปแบบนะแต่บางรูปแบบก็รักษา รักษาแต่ไม่ใช่ติดนะรักษาแต่ไม่ใช่การยึดติดนะไม่ใช่ไปเอาถูกเอาผิดกับคนอื่นแต่มันจะกลับมาดูตัวเราเองเป็นหลักนะสินพัฒน์ปรามาสมันก็จะมันก็จะดุดไปความสำคัญมั่นหมายว่านะกายเป็นเรานะมันก็จะไม่ยึดและนะมันจะเห็นความเป็นสักยทิฐินะ คือคือการเห็นว่ากายเป็นเราเนะี่ยเป็นของของเราเนะี่ยมันก็จะผลไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายก็เป็นเพียงแค่ความทุกข์กายนะไม่ใช่ความทุกข์ใจเนะนี่ยมันก็จะความสําคัญมั่นหมายนะในการยึดมั่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงการประดับตกแต่งเพื่อบำรุงร่างกายนะมันก็จะลดลงนะอลดลงมาทีมาก็สังเกตนะ คือบางคนก็ปฏิบัติธรรมนะแต่ก็ยังแบบบางทีก็ต้องแบบทำผมทำหน้าทาเล็บทาปากอะไรอยู่เยอะนี่มันจำเป็นหรือเปล่าเนาะบางทีเราก็เห็นนะต้องไปเสริมจมูกต้องไปนั่นนี่แต่ว่าเขายังไม่เข้าใจว่ากายนะมันมันไม่ <c oughs> มันไม่ใช่เราจริงๆนะ มันก็ยังอยากให้มันสวยอยากให้มันดีอยากให้นั่นนี่อยู่น ะ, ะก็คือหลงกายนะหลงกายของตัวเองเอากายของตัวเองไปหลอกคนอื่นนะมันก็คือการหลงกาย น, ะนอกจากว่าเออมันมันเป็นหน้าที่การงานมันเป็นนั่นเป็นนี่ก็ทำแบบนม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็อาจจะได้นะคือรักษากายที่จริงก็เพื่อ เ, เพื่อให้มัน ใช้งานได้นะเหมือนเรามีรถแ่่นนะเหมือนคนใช้รถนะก็ดูแลรักษารถนะให้มันอยู่ในสภาพที่ที่ดีไม่ไม่เสื่อมมากแต่ไม่ใช่แบบพวกที่แต่งรถใช่ไหมพวกแต่งรถเน่ะพุ่มเฟือยนะเฟ้อไปเยอะนะแต่การรักษารถเวลารถมันเสียเนะี่ยอันนี้คือจําเป็นต้องรักษาร่างกายก็เหมือนกันนะ แล้วก็รักษานะออกกำลังกายกินอาหารที่ดนะีพักผ่อนนอนดับนี่คือการรักษากายแต่การประดับอะไรมากมายเนี่ยคือการเหมือนพวกแต่งวอตนะฟุนะ้งเฟอ้อไปแล้วนะเยอะเกินไปแล้วนะนะเพราะเราอะไรเราไปคิดว่าความสุขของเรามันอยู่ที่ข้างนอกนะเราต้องดูรู้สึกดีกับตัวเองหรือ รู้สึกอยากให้คนอื่นดูเราดีอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เลยไปประดับที่ภายนอกนะแต่จริงนะเมื่อสักยัสทิฐิมันหลุดไปร่วงไปเนะี่ยเรื่องกายเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะอนะืไม่ให้ความสําคัญที่กายนะมาให้ความสําคัญที่ใจเป็นหลักเลยนะให้ความสำคัญที่ใจอืนั้นมันจะเบาไปเอยเอะเลยนะนะ อะไรต่างๆที่มันวุ่นวายเรื่องกายเนี่ยมันจะเบ่าลงไปเยอะนไงกินก็กินง่ายนอนต้องนอนง่ายใช้ชีวิตก็ง่ายๆเพราะมันจะเบามันไม่ให้มันไม่ให้ค่าเรื่องกายมากเนี่ยมันจะให้ค่าเรื่องจิตมันจะให้ค่าเรื่องการเป็นปกติของจิตนะให้ค่าเรื่องความไม่หลงความไม่ทุกข์เนี่ยเป็นหลักเลยเนี่ยสักยะที่มันดูดไปมันจะเบาตรงนั้นนะ เพราะว่าคนต่างๆบางทียุ่งเพราะเรื่องของกายเรื่องของภายนอกไม่ค่อยให้ค่าเรื่องภายในอืแต่ก็อย่างที่บอกอะบางทีถ้ามันเป็นเพียงแค่สมมุติที่เราไปใช้บางขณะมันก็เป็นไม่เป็นไรนะมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติถ้าเรารู้ทันเนยแต่ถ้ามันติดเนี่ยแสดงว่าเรายังปฏิบัติทำยังหลงอยูนะ่ยังแบบปเภทเป็นพวก ดิบๆสุกกันนะถ้าเป็นข้าวก็แบบประเภทว่าบางเม็ดบางส่วนก็สุกละบางส่วนก็ดิบอยู่ยังแฉะอยู่นะอืมันก็ยังแบบกินไปบางทีบางอันก็ก็มันบางอันก็ก็แข็งอยู่นะชีวิตเราก็เหมือนกันแน่ะบางทีบางอย่างก็อยากจะพ้นทุกข์อยากจะปล่อยวางนะแต่บางอย่างก็ยังอยากจะยึดอยู่อยากจะเอาอยู่นะมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะ บางทีก็สังเกตนะนะักปฏิบัติทําหลายคนนะก็อยากจะพ้นทุกข์อยากจะสงบอยากจะไม่ยึดติดแต่บางอย่างก็ขอหน่อยเ <c oughs> นะี่ยก็ตะโกดีนะแต่จริงก็เป็นกระทุกพนะ้นนะนะนะแล้วแต่แล้วแต่คนจะติดด้านไหนนะมันก็เนะี่ยมันก็นะผมก็จะเห็นนะก็ค่อยๆพ้นไปนะนะแล้วก็ คุณแจสำคัญเนะี่ยคือนะคือการมีสติรู้สึกตัวนะรู้กายนะเห็นจิตนะหลวพ่อเทียนจะพูดชัดนะรู้กายเพื่อเข้าไปเห็นจิตนะไม่ใช่รู้แต่กายอย่างเดียวซื่อๆนะไม่เกิดปัญญาหรอกนะรู้กายแล้วต่อไปจะเห็นจิตนะในจิตใจนะ่มันจะมีจิตสองส่วนจิตส่วนหนึ่งปกติ จิตส่วนหนึ่งไม่ปกติน่ะก็คือก็คือเห็นความคิดนะอีกทีหนึ่งนะเห็นความคิดน่ะคือความคิดเห็นว่าความคิดไม่ใช่จิตนะความคิดเป็นเพียงแค่อาการของจิตนั่นะน่เรียกว่าเห็นคิดน่ะจะเห็นธรรมะธรรมคืออะไรมันเกิดของมันมันดับของมันเห็นความคิดมันเกิดเห็นความคิดมันดับ เห็นความคิด <absorbing> บ <noise> <M> <bit> no, like <t ick out Hadi> ังค <t ick out 52> ับไม่ได to ้ไม่ใ <t> ช <ick out> ่ตัวตนของเราเนี่ะคือการเห็นธรรมคือนะะทําไมพระโสดาบันท่าจะอุทานว่าน่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดานี่แหละอคือท่านเห็นความคิดเกิดดับนี่แหละอไม่ใช่เห็นตอนมันมันเกิดแล้วมันดับนะไม่ใช่เห็นตั้งแต่ก่อนมันเกิดเห็นตั้งแต่ก่อนมันเกิด เห็นมันเกิดแล้วก็เห็นมันดับนะตอนหน้าตา่ตามันมันขาดตรนนี้นอ๋อเนี่ยสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งตัวมีความดับไปเป็นธรรมดานะมันจะเห็นอ้อมันเป็นเหมือนกันเสมอภาคกันเลยไม่ว่ากุศลอกุศล น, นะเกิดดับเหมือนกันนะหรือแม้แต่เป็นกลางๆก็ดีนะอมันก็เป็นเพียงแค่สภาวะที่จิตไปรับรู้เนะ่ะ อะเนี้แหละคือเห็นความคิดก็คือเห็นธรรมะถ้าเราเห็นนะปรามัดไม่หลงในสมมุติเนี่ยจิตก็จะสบายลงไปเยอะมันเบาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมมตินะใช้สมมตินะแต่ไม่ยึดเนี่ยมันก็จะเบาจะไม่หลงโลกนะไม่หลงโลก อยู่กับโลกก็ได้แต่ไม่หลงโลกมีสิ่งต่างๆก็ได้นะแต่มีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นนะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าการไม่มีนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีนั่นมีนี่ไม่ต้องไม่ต้องมีข้าวของเครื่องใช้นะละทุกอย่างไปไม่ใช่แต่การปล่อยวางคือการมีแบบไม่ยึด บางคนเป็นคารวาสก็มีเงินแต่ไม่หลงใช้เงินในทางที่ผิดนะใช้เงินในทางที่เป็นประโยชน์นะเรามีบ้านเรามีรถเราก็ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นะนี่คือเรามีข้าวของเครื่องใช้เราก็ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทางที่เป็นโทษนะนี่คือมันไม่หลงตัวนี้แหละนะอมันก็มีได้นะไม่ใช่ว่าไม่ต้องไม่มี ทุกอย่างนะมันมีแต่มันไม่หลงอันน่้คือถ้าเราเข้าใจปรมัตต์นะก็จะไม่หลงสมมตนะิสมมติมันเต็มโรกันนะถ้าเราไม่รู้สมมติเนี่ยมันจะหลอกเราไปเรื่อยเลยนะโฆษณาก็บอกเราคนนั้นคนนี้ก็จะหลอกเราเราก็จะหลงคิดว่าเป็นของเราจริงๆนะ <c oughs> มันหายไปก็เสียใจทุกใจนะแต่จริงมันเป็นเพียงแค่สมมตินะ ลูกหลานภรรยาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทรัพย์สินเงินทองต่างสมมุติทั้นั้นนะแม้แต่ร่างกายนี้ก็สมมุตินะ่ะไม่ใช่ของเราจริงๆนะดูดีๆดูดีๆนะแม้แต่อารมณ์แม้แต่ความคิดก็คือสมมตินะ่ะไม่ใช่ของเราจริงๆนะดูดีๆดูดีๆนะอืมถ้าเราเห็นมันเป็นสมมุติเนี่ยพ่อมันจะใจจะเบา จ, จะสบายลนะน่ะเนาะก็ ดูไปเรื่อยๆเนี่ยแหละนะเริ่มจากการดูกายนะต่อไปจะเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะเข้าใจธรรมก็คือแยกได้ระหว่างอะไรสมมุติอะไรปรมัดเนี่ยนะเนะี่ยมันก็จะค่อยๆสะสมปัญญานะเกิดความวิมุตติหลุดพ้นนะเนะ่ตามกำลังที่มันพ้นได้เทียบเะจากหยับๆนะไปสูงกลางๆไปสู่ที่ละเอียดขึ้นเนะี่ยนี่คือการ การปฏิบัติธรรมเนาะที่เราต้องพยายามฝึกต้องทำอยู่เสมอนะก็ฝากไว้